2. อภิธรรมภาชนี 1. กุศลบารเจ็ดรยหปฏิจัมพิาทาสี่คือ 1. อัฏปฏิจสมพิทา 2. ธรรมปฏิจสมพิทา 3. นิวรุตติปฏิจสมพิทา 4. ปฏิภาณปฏิจสมพิทาสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไหน จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล ส, สหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุทธด้วยญาณมีรูปเป็นอารมมีธรรมเป็นอารม์หรือปรารพอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นพัสธะอาวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล ความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิธาความรู้ในวิบากแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัตตปฏิสัมพิธาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุธใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุธนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิธาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้ เพราะยานใดว่ายานเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทา726ปฏิสัมพิาทาสคือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา 2. ธรรมปฏิสัมพิทา 3. นิรุตติปฏิสัมพิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมพิทา สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไ น, นจิตที่เป็นกามาวาจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตดิโสมนัตสัมปยุต ด, ดิยานย เ, ยดดยาเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตดิโสมนัตวิปยุตจากยานสหรคตดิโสมนัตวิปยุตจากยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง สหรฆดด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุดยตด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากญาณสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากญาณมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้น โดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นพัทธะอวิเคเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในวิบากแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัฏฐะปฏิสัมพิทา การบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ยานเหล่านั้นได้เพราะยานใดว่ายานเหล่านี้ส่งเนื้อความนี้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาจำแนกปฏิสัมพิทาสี่ โดยรูปาวจรกุศลจิต727ปฏิสัมพิทา4คือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา 2. ธรรมปฏิสัมพิทา 3. นิรุตติปฏิสัมพิทา 4. ปฏิพาณปฏิสัมพิทา 4. สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนโยคาวจรบุคคลเจริญมัก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 ชื่อว่าอัตตปฏิสัมพิทาการบัญญติภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลาย ชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาจำแนกปฏิสัมพิทาสี่โดยอรูปาวจรกุศลจิต728ปฏิสัมพิทา4ี่คือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา 2. ธรรมปฏิสัมพิทา 3. นิรุตติปฏิสัมพิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมพิทา สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไหนะโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปประพบเพราะก้าวล่วงอากิจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรลุจตุทชาญที่สหรด้วดเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น พัสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในวิบากแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัถฐปฏิสัมพิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใด ความรู้ในการกล่าวท ร, รมณิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปติสัมพิทาบุคคลรู้ยานเหล่านั้นได้เพราะยานใดว่ายานเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปติสัมพิทาจำแนกปฏิสัมพิทาสโดยโลกุตระกุศลจิต7จ9ปฏิสัมพิทาสี่คือ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 เพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัด จ, จากามบรุปธรรมาชาญที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาหมายถึงข้อปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล ความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในวิบากแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัตถปฏิสัมพิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุดใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิวรุดนั้นชื่อว่านิรุดติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่า ยานเหล่าน an ี้ส่องเนื้อความนี 4, u, a, ้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพิทา 2. อกุศลวานจำแนกปฏิสัมพิทาสโดยอกุศลจิต730ปฏิสัมพิทาสคือ 1. อัตถปฏิสัมพิทา 2. ธรรมปฏิสัมพิทา สนิรุตติปฏิจัมพิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมพิทาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นฉนัยจิตที่เป็นอกุศลสหรคตด้วยโสมนัตสัมปยุต ด, ดิทิติมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นพัสธ อวิเข็บปา ก, ก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในวิบากแข่งสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทา7จ็ปฏิสัมพิทา4คือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา 2. ธรรมปฏิสัมพิทา 3. นิรุติปฏิสัมพิทา4ปฏิภาณปฏิสัมพิทาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นฉไหนจิตที่เป็นอกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสำประยุทธ์ด้วยทิฏฐิเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุทธจากทิฏฐิสหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยทิฏฐิสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยทิฏฐิเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูสหรคต ด, ด้วยอุเบกขาวิปปยุตจากทิฏฐิสหรคต ด, ด้วยอุเบกขาวิปปยุตจากทิฏฐิด เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโทมานต์สำปรยุทธ์ด้วยปฏิฆะสหรคตด้วยโทมานต์สำปรยุทธ์ด้วยปฏิฆะเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยเบขาสำปรยุทธ์ด้วยวิจิกิจฉาสหรคตด้วยเบขาสำปรยุทธ์ด้วยอุทธัจจะมีรูปเป็นอารมณ์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 การบัญญัติสภ า, าวะธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิธาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณนปฏิสมัมพิธา 3. วิปากวาน จำแนกปฏิสัมพิธาสามโดยอเหตุตุกะกุศลวิปากจิตเจ็ริปฏิสัมพิธาสามคือหนึ่งอธิปไิสัมพิธา 2. อนิรุตติปฏิสัมพิธา 3. ปฏิภาณปฏิสัมพิธาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริตเป็นฉไนจักุวิญญาณที่เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทมได้จั่งสมกามาวาจรกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นพัเวทนาสัญญาเจตนาจิตอุเบกขาเอกคตามนินทรีอุเปกขินทรีและชีวิตินทรียีก็เกิดขึ้น หรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปแม้อื่นซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤตความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทา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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไฉนโสตวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นคารวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีกลิ่นเป็นนอารมณ์เกิดขึ้นชิวหาวิญญาณที่เป็นวิบาก สหรคตเพราะอุเบกขามีรถเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตได้สุขมีโพธพเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทาได้สั่งสมกามาวาจรกุศลและกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นภัตสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตสุข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 2. นิรุตติ ป, ป, ฏปฏิสัมพิทาสปฏิพาณปฏิสัมพิทาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริตเป็นฉไหนมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมมีโพธะเป็นอารม์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สังสม การม า, าจรจกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นพัฒนะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอุเบคาเอกคตามนินทีอุเปกขินตีและชีวิตตินรีก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปแม่อื่นซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นมีอยู่ในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพญากริจความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิธาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใดความรู้ในการกล่าวธรรมมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิธาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ ความรู้ใน ญ, ญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทา7จ็ปฏิสัมพิทา3คือ 1. อัตถปฏิสัมพิทา 2. นิรุตติปฏิสัมพิทา 3. ปฏิพาณปฏิสัมพิทาสภาวธรรมที่เป็นอักปรยากฤตเป็นฉนะัยมนโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบาก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 สภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าเป็นอัพญญากริจความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านี้มีได้เพราะนิรุดใดความรู้ในการกล่าวธรรมานิรุดนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่า ยานเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณะปฏิสัมพิทาจำแนกปฏิสัมพิทาสามโดยกามาวจรวิปากจิ 737. ปฏิสัมพิทาสามคือหนึ่งอัตตาปฏิสัมพิทาสองนิวรุตติปฏิสัมพิทา สามปฏิพาณะปฏิสัมพิธาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นฉไนมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุทธ์ด้วยญาณละสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงละสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุทธจากญาณละ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 มีรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ธรรมได้สังสมกามาวจรกุศลกรรมโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นพัสธะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยญากฤตความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัฏปฏิสัมพิทา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 ปฏิสัมพิทาสามคือหนึ่งอธิปฏิสัมพิธาสองนิรุตติปฏิสัมพิธาสามปฏิพาณนับปฏิสัมพิธาสภาวธรรมที่เป็นอัภยกริเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจารกรมบรรลุปธรรมฌานที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะ ก, ก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัด จ, จากกามบรลุปธรรมชาญที่มีปัทวีกตินเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สังสมรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะ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 ญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณะปฏิสัมพิทาจำแนกปฏิสัมพิทา3โดยอรูปาวาจรวิปากจิต739ิปฏิสัมพิทา3คือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา 2. นิรุตติ ป, ปฏิสัมพิทา สามปฏิพานนะปฏิสัมพิทาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตเป็นฉไนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปประพบเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคดไดเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะ ละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเกปะก็เกิดขึ้นแตภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาววจรบุคคลเพราะได้ทำได้สั่งสมอรูปาวาจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตชานที่สารคตรด้วยเนวสัญญาณาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสธะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพญากฤตความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า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 จำแนกปฏิสัมพิธา3โดยโลกุตระวิปากจิต740ปฏิสัมพิธาสคือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิธา 2. นิวรุตติปฏิสัมพิธา 3. ออธาปฏิพาณะปฏิสัมพิธาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากิตเป็นฉันะ โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากปัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัด จ, จากามบรุปธรรมฌานาที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันถาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสธะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล โยคาวาจรบุคคลสงัดจากกรรมบรลุปธรรมชฌานที่เป็นสุญญะตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบาเพราะได้ทำได้เจริญโลกุตระกุศนละก ร, รมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปาก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤต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 จำแนกปฏิสัมพิทา3โดยอกุศลวิบากาจิต741ปฏิสัมพิทา3คือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา 2. นิรุตติปฏิสัมพิทา 3. ปฏิพานนัปปฏิสัมพิทาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกระิเป็นฉไนะจะคุวิญญาณที่เป็นวิบาก สหรคตด้วยเบกขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นโสตวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นคานวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นจิวหาวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขา มีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิ ญ, ญญาณที่เป็นวิบากสหรตดิจทุกข์มีโพธะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพระเดชธรรมได้สังสมอกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตทุกข์เอกคตามนินทร์ทุกขินทร์และชีวิตตินทร์ก็เกิดขึ้น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 สามปฏิพาณนปฏิสัมพิทาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นฉนัยมโนธาตุที่เป็นวิบากสหรคตด้วยเบิขามีรูปเป็นอารมณ์หรือมีโพัพะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรคตด้วยเวิขามีรูปเป็นอารมณ์ มีทรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทาได้สั่งสมอกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นพัฒนะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตตกวิจารอุเบกขาเอกคตามนินทรีอุเปกขินทรสีและชีวิตินทรียีก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ ไม่เป็นรูปแม้อื่นซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากริตความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัตปฏิสัมพิธาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิวรุดใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิวรุษนั้นชื่อว่านิวรติปฏิสัมพิธา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 ปฏิสัมพิทาสคือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิธ า, ออธาสองนิรุตติปฏิสัมพิธา 3. ปฏิพาณะปฏิสัมพิธา 4. สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นฉไหนมโนธาติเป็นกิริยา 5. ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมสหรคตด้วยอเบกขา 5. มีรูปเป็นอารมณ์ มีโพธพภพเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นพัฒนะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิบากวิจารา์อุเบกขาเอกคตามนินตีอุเปกขินตีและชีวิตินตีก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปแม้อื่น ซึ่งเอีงอาศัยกันเกิดขึ้นมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าเป็นอพยกฤตความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัตปฏิสัมพิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใดความรู้ในการกล่าวธรรมมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่า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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมสหรคตคดีโสมนัสมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรม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 ความรู้ในการกล่าวธรรมณิรุษนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้ต่องเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพิทาจำแนกปฏิสัมพิทาสโดยกริยาจิต745ห ปฏิจสมพิทา3คือ 1. อัฏฐปฏิจัมพิาามาทพา 2. นิวรุตติปฏิจัมพิทา 3. ปฏิภาณปฏิจัมพิทาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นฉไนมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมสหรคตวิโมสมณัต สัมปยุตติยานสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตติยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุตจากยานสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุตจากยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูสหรคตด้วยอุเบขาสัมปยุตด้วยยานสหรคตด้วยอุเบขาสัมปยุตด้วยยาน เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสะหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุจจากยานสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุจจากยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงโยคาวาจรบุคคลเจริญรูปาวัจจรชานเจริญอรูปาวัจรชานที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศล ไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจจตุทชาญที่สะรักด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น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 รู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณนะปฏิสัมพิทา746ปฏิสัมพิทาสคือหนึ่งอัตตปฏิสัมพิทา 2. ธรรมปฏิสัมพิทาสนิวรุตติปฏิสัมพิทา 4. ปฏิพาณนะปฏิสัมพิทา ปฏิสัมพิธา3เกิดขึ้นในจิตตุปปะบาทที่สัมปยุตด้วยญาณสี่ฝ่ายกามาวาจรกุศลเกิดขึ้นในจิตตุปปะบาทที่สัมปยุตด้วยญาณสี่ฝ่ายกิริยาอัตตปฏิสัมพิธาเกิดขึ้นในจิตตุปปะบาทเหล่านี้และเกิดขึ้นในมัคสีผลสี อภิธรรมภาชนีจบ